<c oughs> หนึ่งทุมวันนี้มีถามปัญหาไหมฮะ ตอนนี้แหละทบัตการทำบัตรสวดมนต์บางคนอาจจะไม่เคยฝึกมาสวดเสียงยาวเสียงสั้น ถ้าเราสังเกตในนั้นน่ะในหนังสือที่เราดูมันจะมีสระมีพยัญชน ะ, ะพยัญชนะทุกตัวจะต้องประกอบสระเพราะฉะนั้นนะสระมันออกเสียงที่เราออกเสียงสั้นเสียงยาวเราออกเสียงตามสระ a i เครือกรสะร้ัระระเสียงสั้น เราว่าสั้นสันแต่ว่ามันชัดว่าสั้นสันว่ามันชัดอีอุหรือไม่ฮันอากาศสะอังเนี้ยออกเสียงสั้นสั้นสะเอสะเอเนี่ ย, ยโยอาหุเนโยปาหุเนโยเนี่ยออกเสียงสั้นๆมันมีแค่นี้แหละเราทราบแค่นี้แหละเราก็สวดถูกแล้วอีอุออ ไอ้เอยยักสกดไม่มีเอยเอนะเอไม่มีภาษาบาลีเออไม่มีตัวยยักตัวนั้นเป็นตัวสกดเสยโยเสยโยเสยะเสยยงอ่าอิอสระอังฉระเสียงสันอ่ะอามันเป็นสระไหมอิ อ อ, อว่า ย, ยาวๆได้ไหมว่าไม่ได้เพราะมันเป็นสรเสียงสั้นถ้าว่ายาวมันกลายเป็นสระอีไปแล้วสียเหมือนกันถ้าเราว่ายาวๆมันกลายเป็นสียอาไปแล้วอาอาอาอาเสียงมันออกเป็นสระอาไปแล้วอิอีเมันเป็นสระอีไปแล้วเมอออุอ อูอูอ่ะ ม, มันแทนที่เป็นสอุมันเป็นสอูไปแล้วมันเพี้ยนง่ายๆเราจับหลักแค่นี้เราสวดถูกกันหมดสำนักไหนก็ตามสวดสระเสียงสั้นเสียง ย, ยาวเท่ากันหมดสระเสียงสั้นทีีสระเสียงยาวอ a e u e อจำแค่นี้เราสวดถูกกันหมดและ อาร uh, ์อ us, uniform, un, ีอ mm, ูอเอโอถ้าเราจะเป็นลาแบบภาษาไทยอันนี้เราเอาแค่นี้ภาษาบาลีศระเราแค่แค่นี้เราสวดถูกกันละศระภาษาบาลีมีน้อยไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยมีเยอะอาร์อีอูอูอเอเอเอโอโอโอโอออัวเออ ศรัพ์ภาษาไทยมีใครไล่ถูกบ้างเดี๋ยวนี้มีใครไล่ถูกบ้างบางคนก็หัดอ่านคํามาเลยไม่รู้วิธีประกอบอ่านการเรียนหนังสือสมัยใหม่อ่านเลยสมัยพวกเราเรียนเขาไล่แม่กกแม่กลแม่เกนแม่กลมแม่เกยแม่โกแม่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจหลักภาษาได้ดีเอาแค่ว่า เสียงสั deux, arel, Leah, ้นว่าสั้นๆเสียงยาวว่ายาวยาวเสียงยาวก็มี a e u a o ว่าเสียงยาวยาวอะระฆังสมาสมุทโธภะวะวานะบุตังภะวันตังอภิวาเดมิเสียงยาวเขาว่ายาวพอดีพอดีอย่ายาวเกินไป เสียงสั้นก็ว่าสั้นพอดีพอดีอย่าสั้นเกินไปจนไม่ชัดบางคนเห็นว่าเป็นเสียงยาวก็ยาวทุกนเกินเหตุเกินผลอีกมันก็ไม่เข้ากันมันไม่ใช่ว่าคนเดียวว่าหลายคนเราต้องว่าให้มันกระชับสวดมนต์ถึงจะไพเราะสนุกเพลินในการสวดอให้มันฉับฉับฉับฉับฉับฉับแล้วไม่ต้องดึงกัน ไม่ต้องรั้งกันไม่ต้องดึงกันมารู้สึกสงบไปในขณะเดียวกันแต่ถ้าดึงกันไปรั้งกันไปรั้งกันมาตะกุกตะกักตะกุกตะกาอยู่นั่นแหละอ๊้ยขัดมัน <laughs> สวดไม่สะดวกพวกค่ <laughs> okay, นี้เข้าใจนะในในในี้มันบอกเนี่ยคําแต่ละคามันประกอบด้วยสระเสียงสั้นสระเสียงยาวเนี่ยเราจําเลยทีเดียวไม่ได้เราก็ให้เป็นเครื่องสังเกตเอาไว้ ปิสังขาโยนิโสปินดาปตังปฏิเสวามิเนวดวายมดายณมนดนาญณวิภูสนายะญาวะเดวิมัสสะกายะสะดิธิาญาปนาญวิหิงสุปัตตาบรมจรินุกหายะอิติปิ อิติปิมีแต่สระเสียงสั้นทั้งนั้นอิติปิโสภะกวาอิติปิอิติปิโสเนี่ยมันเป็นสีอีไปหมดแล้วถ้าเราไปสวดสังฆกรรมเนี่ยเขาถือว่าอักขรวิบัติกรรมทำแล้วไม่เป็นอันธรรมเสียหายเขาเรียกกรรมวิบัติกรรมวิบัติเสียหายการทํากรรมจะต้องประกอบไปด้วยสมบัติ ชี้ครัตสะพยัญชนะครุกะหูบังคับถูกต้องหมดกรรมนั้นถึงจะไม่เสียสวดปฏิโมกก็ตามสวดกรรมวาจากรถิ่นเอ้ยสวดกรรมวาจาบวชหน้าเอ้ยอะไรเอ้ยก็ตามพระที่ท่านฝึก่าท่านรู้ท่านเข้าใจแต่บางแห่งไม่เคยฝึกไม่รู้นะพระนี่แหละพระเรานี่แหละ เราไปสวดมนต์ด้วยบางสำนักเนะี่ยโอ้ยเสียงที่ออกมาแต่ละคำแต่ละคำเพื่นจะเอาเอาให้ยาวเท่ากันหมดเลยตออแล้วลากันบึดบ้ดเหมือนเหมือนรถไฟยาวสองกิโลน่นลากกันอือ <c oughs> <c oughs> โอ้เราเจอแล้วแบบนี้ไม่ไหวแบบแบบนี้ไม่ไหวแค่นี้พวกเราเข้าใจเลยนะ a i อ e o, a o เสียงยาว ล้วก็เกิดความกำหนดในใจแล้วโอ้เสียงสั้นเนาะสะอังมหานากาคข้างบนนี่ถือว่าเสียงสัน้นอยังโคเมกาโย ο, สะอาสะโอก็ยาวพอดีพอดีไม่ยาวเกินไปให้มันกระชับยาวกว่าสะอา น, นิดหน่อยอยังโคเมกาโย ο, กายของเรานี้แรล ทังปาดะตะลาอันนี้เราพูดอ่านตามภาษาไทยเฉยๆแต่ถ้าฝึกให้เป็นสำเนียงมาคดด้วยแล้วอุดทังปาดะตะลาทอตหานเป็นดะอธโเกสะมัทธากาตะจะปริยันโตปุโรนานปาปการัสสะอสุกิโน อธิมาสมิงกายเกสลาโลมานาขาดันตาตะโจมังสังนารุอัทอธิมินชังวักังหะดายังยะกันังกิโลมะกังปิหังปับบา ปัปพาสังอันตังปรับไม่ใช่ปับนะบับบาบางคนบับบาไม่ปรับปัปพาสังอันตังใครยังไม่เข้าใจยกมือฮะ เ, เสียงสั้นว่าสั้นสันให้มันชัดออิอุอออ สระอังมหานากาดเนี่ยสระเอสระโย อ, อ, หยอาหุไนโยปาหุไนโยอย่างเงี้ยสระเสียงยาวออกเสียงยาวๆ ย, ยาวพอดีกระชับกระทัดรัดอาอีอูเอโออิติปิโสพระกวาอาระหังสมัสมสมาสัมบุโทโต อเนี่ยมันจะมันจะเป็นเสียงมือดนตรีไปแล้วเใช่ไหมเขาว่าตามจังหวะส้ำเนียงนั่นแหละอันนี้เป็นหนังสือสวดมนต์วัดทําเตา่าวัดทําเต่าสวดแค่นี้แหละไม่ได้สวดเยอะดอกแต่เดี๋ยวนี้เราพาสวดมหาสติปัฏฐานด้วยมหาสติปัฏฐานเราก็พาเลือกพาสวดวันละท่อนละท่อนละท่อนละท่อน อันนี้เราสวดตามลำดับไปเลยเนีย่อันนี้ทาวัดเช้าเราก็เปิดมาทาวัดเย็นอ่าเปิดมาทาวัดเย็นอืมทำวัดเย็นหน้าแปดวัดเย็นทาวัดเย็นเนี่ยอระหังสมาสัมบุตโตภะควาเราไม่มีพิธีดีตองอะไรเราว่าพร้อมกันเลย แล้วเราก็ไม่พาหันด้วยนะเราไม่ไม่พาหันไม่พาซอยแหละเอาเลย อ, อันนี้เขาก็พิมเขาก็พิมพตามขั้นตอนแต่เราอยู่วัดเราเราพาสวดยาท้าปัจจจยัง ยถ้าปัจจะยังปวัตตามานังทาตุมตาตเมเวตังยอดีดังจีวรังท่านให้พิจารณาปัจจะสี่สักท่ว่าเป็นธาตุอาหารก็สักท่ว่าเป็นธาตุพิจารณาจีวรพิจารณาเสนาสนะพิจารณาคีลานาเภศัสพิจารณาอาหารพิจารณาเสนาสนะพิจารณาคีลานาเภศัส แล้วก็ทำล็อกพาสวดอิมินาด้วยอิมินาปุญญากรมเมนะอุ ป, ปัชฌายาขคนตตราอิมินานี่เราไม่พาแปลแต่โยโยวัดนี่บางบางวันเราก็พาสวดแปลด้วยอิมินาปุญญากรมเมนะด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพรเจ้าอุทิศไปนี้ ขอให้ไปคำโชว์อุดหนุนบิดามารดาและญาติกาครูอุปชาและอาจารย์พระมหาการิยัมิตรรักสนิทเพื่อนสาราสั์น้อยใหญ่อันนี้มีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระนางทรณีพระนางคงขา่าพระยายมมัจุราษนายนิรยบาล น, นายพันธุระเสนาบดีกับทั้งเท้าจัตตโลกบาลทั้งสี่ เสนีเเสนีหรือขีรีนี่เราว่ามันเพี้ยนไปเรื่อยนะเสนีหรือขีรีสิรีอันนี้สิรีรรนะสิรีคุทมาจากสิริคุธเหรอนะสิรีคุตทัตอมาต์ชั้นจาตุมหาราชกาเบื้องบนจนถึงที่สุดมหาพรหมเบื้องต่ำตั้งแต่เอาเบจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก โดยรอบสุดขอบจั ก, กรวาลอันนี้ลุงภูเขาวท่านพาสวดแถวแถวแถ ว, แถวบ้านวัดแถวนั้นเนี่ยเขาเนิยมสวดเราก็เลยพาสวดแต่แต่ไม่บ่อยแต่อีเมนา น, นี่จะพาสวดทุกทกวันอันนี้นานนานๆจะพาสวดแปลเนี่ยจะพาสวดสักครั้งใครต้องการท่องจําให้สวดได้ก็ยิ่งดี งานเหล่านี้มันเป็นงานมันเป็นงานตะล่อมเข้ามามันเป็นงานกิจกรรมที่อยู่ที่อยู่ในเรื่องเดียวกันที่ฉันเรียกว่าท่องบุญสวดมนต์ภาวนามันอยู่ในงานเดียวกันรวมรวมลงมาที่ใจอันนี้ก็บุญอันนี้ก็บุญอันนี้ก็บุญมันหลายๆบุญมากองกันที่หัวใจของเราอม เฮ้ยเราเอาจะเอาแต่ภาวนาล้วนๆจะเอาแต่ภาวนาล้วนๆก็ยิ่งดีถ้า ต, ตั้งใจจะทําอย่างนั้นได้ไม่ต้องท่องบนไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องอะไรเท่านั้นแต่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทำเพราะเพื่อสลับกันสลับสับเปลี่ยนไม่งั้นมันดูเหมือนมันคลั่มเคร่งมันเครียดร่างกายของเราเนี่ยเหมือนมันคลั่มเคร่งแล้ะก็มันเครียดเหมือนอย่างเร า, เราอยู่ที่กุฏิเราเนี่ย เดินเดินก็เดินที่เดิมนั่งเรานั่งเราก็นั่งที่เดิมไปไ ป, ไปมามันชินชากับที่อยู่บางวันบางคราวเราก็เดินออกไปข้างนอกบ้างแต่ไม่ปล่อยกิริยากํากับดูแลจิตในที่นี้ไม่ปล่อยสติกําหนดจดจอ่อตลอดไม่ปล่อยทําให้เกิดไว้พริบดีกว่าที่เราไม่ช่ําแช่อยู่อยู่กับที่เดิม อย่าลองสังเกต ด, ดูนะสังเกต ด, ดูการเปลี่ยนที่การเปลี่ยนอิริยบทมันทําให้เกิดเฉาเกิดไหวพริบเกิดอะไรต่ออะไรนะในจิตของเราเราตัง้งใจปฏิบัติเราสังเกตเราได้เราได้ปัญญาตลอดทุกระยะปัญญาเหล่านี้เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติสังเกตสังการธรรมชาติฝึกคนอบรมนี่เองคนโง่ที่สุดฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกไป ฉลาดได้เพราะมันฝึกตรงที่พาฉลาดฝึกที่จิตจิตมันภาฉลาดอ่านหนังสือไม่ออกก็ฉลาดแง่คิดไหวพริบเชาปัญญามันเกิดขึ้นจากการใช้จิตมันไม่มีวิธีการใดที่จะมากเท่ากับการภาวนาการภาวนาเป็นวิธีการใช้จิตที่มากที่สุด มากกว่าเราไปอ่านมากกว่าเราไปเขียนมากกว่าเราไปทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ที่ที่เราไปเรียนในมหาวิทยาลัยมากกว่ายืนกับภาวนาเดินกับภาวนานั่งกับภาวนานอนกับภาวนาการภาวนานั่นแหละคือการใช้จิตจิตจิงกันจึงเป็นการพัฒนาไปได้เร็วพัฒนาไปได้เร็วมากเราอยากลงทุนได้ผลรวดเร็วภาวนา อย่างอื่นมั้วยเมื่อไรเจอเห็นสักทีภาวนาปุ๊บปับจิตสงบอืเห็นอยู่กับที่เลยได้รับความสุขได้รับความอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีเลยมีผลเป็นเกาะเป็นกรนกรมขึ้นมาทันทีเลยลองดูซิออย่างอื่นอันนู้นเอ้ยเก็บเล็กผสมน้อยจะล่อมขึ้ามาโอ้ยเสียเว ล, ลาไปมากมายเยอะแยะ กับที่เราต้องใจทำสิบนาทีอัมยูคิงนิ่งลองดูสิสิบนาทีได้ผลกว่าได้ผลมากกว่ามันเป็นวิธีการหาความสุขทางลัดที่พระพุทธเจ้าท่านให้ให้พวกเราหาความสุขหาวิธีวิธีหาความสุขทางลัดนี่แหละหาความสุขทางลัดได้ความสุขเร็วมากเราภาวนาใจสงบ ใจสงบมันมีความสุขมีความปีติมีความอิ่มเอิบเบาสบายปลอดโปร่งอยู่ในนั้นหมดได้ความสุขเร็วเราไปสแสวงหาความสุขอย่างอืง่นวันนี้ไปทั้งวันไม่ได้เลยได้แต่ความเครียดไปเบ็ไปหามไปนูน่นไปนี่ไปอะไรตอนอะไรเนี่ยไปสแสวงหานู่นสแสวงหานี่จะให้ได้มาให้เป็นที่สมใจให้เป็นที่เหมาะใจให้เป็นที่สะดวกสบายใจบางทีได้บางทีไม่ได้ซ้า วันทั้งวันได้แต่ความเครียดได้แต่ความเซ็งได้แต่ความสวยไม่ได้เลยเอาวิธีรัดเหมือนพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านสอนไม่ให้เราวิ่งตามวิ่งตามสัญญารมวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิน่นตามรถท่านม่ให้วิ่งตามท่านให้หยุดเราหยุดไ ด, ได้ได้รับความสุขทันทีพูดไปพูดมามันมันไม่เกินวิธีการภาวนา เราคิดได้อย่างนี้เราโอ้โห อ, อ, อะไรภาวนานง่ายง่ายสะดวกสบายอยู่แล้วย้อนกึบมาก็ภาวนาแล้วย้อนกึบมาก็ภาวนาแล้วยืนตรงไหนก็ภาวนาได้เดินนั่งนอนหยุดอยู่ในท่าใดภาวนาได้ทั้งนั้นหาความสุขได้ทุกอิริยาบถกับที่เราไปแสวงหายอย่างอื่นไปขาย ในกำไรเก็บเล็กผสมน้อยห้าบาทสิบาทวันนี้ขาดทุนวันนี้ไม่พอข่ากับข้ า, อาวอ้าวเนี่ย่าโอวันนี้ไม่คุ้มทุนซ้ำจะเอาทุนไปลองนู้นไปลงนี้จะได้กำไรไปเพิ่มนู้นเพิ่มนี้ไม่ได้ซ้าเป่าใจทุกใหญ่แหละโอ้ขาดทุนยิ่งธุรกิจขาดทุนแล้วสุขใจที่ไหน ดิ้นแล้วแลลดิ้นหาเพื่อปิตใจมันพน้นดอกพ้นตนแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ยุดทันทีไม่ต้องวิ่งตามนีม่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าวิธีการอื่นที่จะดีเกินนี้ไม่มีวิธีการอื่นไม่มีวิธีใดเกินสมรรถะเกินวิปัสสนาไม่ดีไม่มี เราชูประเด็นสมสถะกับวิปัสนาสมถะคืออยู่กับอารมณ์เดียววิปัสนากำนสติกำหนดจดจอ่อยักย้ายพันแปรไปตามอารมณ์ของจิตจิตเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆการที่เราสวดมนต์มันก็เป็นการใช้จิตแต่มันเป็นการใช้จิตที่เป็นระเบียบ เพราะเราไม่ได้นึกคิดเองเราวาดตามความจำสมมติเราจาได้หมดเราไม่ต้องเปิดหนังสือดูเราก็หลับตาว่าตามความจำมันเป็นการใช้หัวคิดมันเป็นการใช้ใช้ความคิดที่เป็นระเบียบเพราะระเบียบเท่าที่เราจำท่านเรียงไว้แล้วและเนื้อหาในนั้นเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมด ท, ที่เราที่เราส่วนเนี่ยธรรมะทั้งนั้นเลยมาดูดิมาดูคแปลเป็นภาษาบาลีเลยธรรมะทั้งนั้นเลยแหละ มันเป็นธรรมะมันคำที่เป็นธรรมะการสวดมนต์น่ะเมื่อเหมือนเราพูดเราพูดเรานึกเราคิดแล้วก็พูดไปถ้าคนมีเหตุมีผลก็พูดด้วยเหตุด้วยผลหรือถ้าคนฟังมีเหตุมีผลก็เขาพูดเป็นเหตุเป็นผลก็ฟังดีมากบางทีพูดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลไอ้เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลมันเป็นไปตามความฉลาดมากฉลาดน้อย บางคนโอ้พูดไมปเขาท่าพูดไม่มีเหตุผลแท้ที่จริงเราใช้คําพูดไม่ถูกพูดแบบไม่รู้เหตุรู้ผลนี่ถึงจะถูกโอ้เหตุผลคืออะไรเป็นไรไม่รู้จักพูดแบบไม่รู้เหตุรู้ผลแต่เรามักจะใช้คําว่าไม่มีเหตุผลไอ้ไม่มีเหตุผลความหมายของมันก็คือพูดไม่ตรงตามหลักความจริงคือไม่รู้เหตุรู้ผลอืม พูดไม่รู้เหตุไม่รู้ผลมันถึงจะฟังได้เอ้ยพูดไม่มีเหตุไม่มีผลมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นเหตุผลของคนฉลาดเหตุผลของคนโง่เหตุผลของกินเลทเหตุผลของทำมันเหตุผลทั้งนั้นแหละสองฝ่ายนี่ถ้าอ้างแะ้วก็ตีกันเฮ้ยเราก็เหตุผลเราเรานี่แหละเหตุผลเรานี่แหละเด็ดกว่าข้อเตียงใครจะไปยอม เหตุผลใครที่ใกล้เคียงทางสัจธรรมเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่ตรงตามหลักความเป็นจริงเลยพูดยาวยืดไปอาตั้งท่าธรรม บ, บัตสวดมนต์ ตั้งใจอุทิศส่วนบุญไปอุปการะคุณของใครของใครนึกเอาระลึกเอาหิดามานดาผู่ ย, าย่าไตายาย ส, สัพสัตทั้งหลายเจ้า ก, กรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยที่เราว่าไปนี้ที่นอกเนื้อไปจากนั้นเราก็ว่าไป อันนี้เป็นความจำความนึกความคิดของเราบุทิศให้กับอุทิศส่วนบุญนี้เป็นพระราชกุศลเดบประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านป่วยด้วยพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีท่านให้ท่านมีพระนานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพ ร, ร่มใสแก่พวกเราทั้งหลายตลอดไปตลอดการเพิน ผิดอันนี้พิมพ์ผิดนั่นเองขอให้พ้นจากทุกเนี่ยขอให้พ้นจากทุกขท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกพิมพ์ผิดท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศไปนี้ขอให้จงเป็นอุปนิสยัยเป็นปจัจจัย เพื่อจะกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันกานี้เทินแผ่ส่วนบุญกรวดน้ำแบบสองกรวดน้ำนี่มันเป็นการแผ่บุญนะคือการอุทิศส่วนบุญให้อุทิศส่วนบุญให้ ผู้ที่ออกชื่ออยู่ในนี้ทั้งหมดที่ส่วนบุญให้ดามันดาปุยาตายายครูวิชาและอาจารย์พระมหกากษัตริย์มีรักสนิทเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่ก็พวกเทวดานั่นแหละพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลี น, นี้มันมาได้อย่างไรเจ้ากรุงพาลีใครไม่รู้พระนางธรณีพระนางคงคา พญายมมัจจุราชเพื่อให้มัจจุราชเพื่อให้พญายมมัจจุราชนี่พร ม, นรมานเรามากเกินไปนายนิรยาบาลเนี่ยผู้ประจายมโลกเนี่ยนายพันธุละเสนาบดีเอออันนี้มีชื่อพันธุละเสนาบดีกับทั้งเท้าจัตุโลก บ, บาลทั้งสี่สิริศิริคุดสิริคุเนี่แหละเนี่ยสิริคุดอมาน สริคุถะอมบาตชันจ่าตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดมหาพรหมเบื้องต่ําตั้งแต่เวจีขึ้นมาอเวจีอยู่ต่ําสุดเบื้องบนท้ามหาพรหมจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตาจักรวาลท่านทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลเหล่านั้น ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พน้นพ้นนะไม่ใช่ผล น, นะขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศไปนี้ทิศผลบุญขอให้เป็นอุปนิสยัยเป็นปัจจยัยเพื่อจะกระทําให้แจ้ง ซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันอาการนี้เถินในปัจจุบันอาการยังไม่เคยรู้จักคำว่าพุโทโธเลยเจ้านิพพานมาจากไหนพยายามจะสีไม้เกิดไฟก็เอาแต่ไม้สดๆสดมาสีเ ม, มื่อไหร่ไฟมันจะติดใช่ไหม <c oughs> Up there. ที่เราสวดนี่ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งอันนั้นกอบุญอันนี้กอบุญอันนั้นก็เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ภาชนะของเรามันเต็มตื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่อันนั้นก็แฟบอันนี้ก็แฟบหาอะไรจะมาใส่ภาชนะไม่มีอันนั้นก็เทออกอันนั้นก็เททิ้ง อันนั่นก็เหือดไปอันนี้ก็แห้งไปหมดหมดเนื้อหมดตัวจะเป็นแบบนั้นขอให้เราขยันเถอะเราขยันแล้วมันจะหาบุญง่ายคนดีหาบุญได้ง่ายตรงกันข้ามคนชั่วหาบุญได้ยากคนชั่วหาบุญได้ยากแต่ คนชั่วเนี่ยหาชั่วได้ง่ายแต่หาบุญได้ยากคนดีหาบุญได้ง่ายหาชั่วได้ยากนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสตรัสเกี่ยวกับพระเทวทัตเนะี่ยเทวทัตเ่งเป็นคนชั่วพระองค์ทร ง, งเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับบุรุษตกหลุมคูดหลุมคูดพวกเราก็รู้จักเนาะหลุมคูด จมจมมิดจมทั้งหัวจมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาบุุษที่ยืนดูต้องการจะช่วยจะจับตรงไหนที่จะไม่ให้มันเปื้อนเปื้อนมือนะไม่มีไม่มีที่จะจับเนี่ยนี่ท่านพูดถึงความชั่วของพระเทวทัตน ะ, ะเปรียบเสมือนบุบุษตกลมคูดจมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมามันกระเทินคูดขึ้นมาด้วย จับตรงไหนมันเปื้อนมือเท่านั้นแหละอ่ะบุตรต้องการจะยกขึ้นจับตรงไหนที่จะไม่ไม่ให้มันเปื้อนมือไม่มีคนชั่วถ้าเราไปเกี่ยวข้องมันเป็นอย่างนั้นแหละพลอยแปดเปื้อนไปด้วยคนชั่วความชั่วเราไปช่วยพลอยแปดเปื้อนไปด้วยด้วยเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าคนชั่วทําความชั่วได้ง่ายทําความดีได้ยาก คนดีทำความดีได้ง่ายทำความชั่วด้ยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยเป็นจิตนิสัยเป็นอุปนิสัยเข้ากระดุกดำแล้วมันฝืนอไม่ได้ฝืนอไม่ได้คน ด, ดีีฝืนอํทำความชั่วตายดีกว่าไม่ยอมทำยิ่งพระสอดาบันด้วยแล้วเนี่ยชัดเจนเลยข้าท่านายตายท่านก็นไม่ยอมบิดเบี้ยวท่านไม่ยอมพูดโกหกไม่ยอมพูดปด ได้ยินยังไงได้รู้ยังไงได้เห็นยังไงท่านก็พูดไปตามนั้นท่านจึงว่าอาัจฉาะศรัทธาอาัจฉะศรัทธาอัจฉะศรัทธาศรัทธาไม่คลอนแคลนมีคนเอาอะไรมาจ้างไปจ้างไม่ได้ถ้าท่านไม่ทําอย่างนี้ท่านจะถูกตัดคอยอมให้ก็ตัดคอแต่ไม่ยอมบิดไม่ยอมเบี้ยวทําไมจึงไม่ยอมบิดไม่ยอมเบี้ยว ทำไมอาจรลัทัทธาถึงแน่นหนามั่นคงถึงขนาดนั้นนี่คือประสบดาบวันก็เพราะว่าท่านเข้าไปเห็นความจริงแจมแจม้งชัดเจนด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยความรู้ของท่านเมือ่อเราไปลืมตาเห็นอะไรเนี่ยโอ้ให้เราพูดเป็นอื่นไปได้ยังไงนี่เมื่อเราไปเห็นอย่างเงี้ยให้พูดเป็นอื่นไปได้ยังไงถึงจะฆ่าเราเันก็เราก็พูดเป็นอื่นไปไม่ได้ อืนี่คนดีคนดีขนาดนี้ท่นเรียกว่าศรัทธาไม่คลอนแคลนแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนี้ศรัทธาหัวเต่านะพุกโผลพุกโผล่ศรัทธาหัวเต่าพุกพลุกโผล่เอ๊ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเออเออเอ า, เอ า, เ, อาเอาแต่น้อยกันแล้วกันไม่ต้องเอามากอันนี้ให้จนหมดตัว ผู้เห็นธรรมผู้มีธรรมเห็นความสําคัญของฐานของศินของภาวนาดูแต่พระสวดาบาลสมัยพุทธกาลให้ให้จนหมดไม่มีอะไรให้พระพุทธเจ้าจึงต้องได้สวดให้เขาเรียกสวดเสขับุคคลให้ใครที่เป็นพระสวดาบาลเป็นต้นไปท่านสวดเสขับุคคลให้ให้สองนี่ไปสวดสวดประการว่าคนนี้เป็นเสขับุคคลเป็นเสขับุคคลเป็นเสขับุคลบคล ภิกษุใดที่ไม่ได้รับนิมนต์ให้ไปรับอาหารบิณฑบาตไปรับปรับอาบัติแต่ถ้าเขานิมนต์ไปรับได้ถ้านิมนต์ให้ไปรับนี่บางทีเขามีสองกระจาดสามกระจาดาก็ถวายมาจนหมดเพราะศรัทธามันมากไม่เหลือไม่มีอะไรกินก็กยอมให้จนหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าใครไปรับศรัทธาจากาเสียข้าบุคคลเช่นนี้ ไปรับมามากเท่าไรก็ได้ได้มาแล้วให้ไปแบ่งแจกหมูแจกเพื่อนถ้าได้ไปแล้วไม่แบ่งปรับอาบัติปรับอาบัตินี่เราพูดถึงศรัทธาศรัทธาขนาดไหนศรัทธาขนาดว่าท้องเจ้าของเนี่ยหิวเหลืออาหารจานเดียวกาลังจะตักเข้าปากเนี่ยมีคนหิวมาเหมือนกัน ยังไม่ได้อะไรใส่ปากใส่ท้องเลยเห็นอานิสงส์ในการให้เขากินมากกว่าที่จะเข้าปากตัวเองให้เขาไปเลย่จ้ของยอมอดนี่คือศรัทธาศรัทธาขั้นนี้ระดับนี้นี่ให้จนไม่มีอะไรเหลือให้จนหมดไม่มีขึ้นชื่อฝาความตนีให้แล้วไม่มีคิดเสียตรงเสียดายตามหลังรักษาเจตนาดังเดิมของตัวเองรักษาไว้ไม่มีเสีย ไม่ไม่มีไปคิดอกุศลตามหลังไม่มีพวกเรานี่ให้อะไรไปดูมือท่านเอ้ยท่านจิบของเราบ้างหรือเปล่าเฮ้ท่านมีอยู่ให้เราซ้ำแหน่เห็นไหมเหลือมาทั้งหมดไม่มีใครหยิบให้เราสักนิดสักชิ้นเลยเอ้คิดอกุศลตามหลังเอ้ยท่านเอาไปใช้ให้เราหรือเปล่าหรือท่านจะเอาไปทิ้งดูตามมือท่านไปหรือท่านจะเอาไปให้คนนั้นเอาไปให้คนนี้เอ้ยเราต้องการให้ท่านใช้เราต้องการให้ท่านฉัน ท่านน่าจะฉันให้เราแน่พระสุวรรณไม่มีเงืินไขให้ไปเลยให้ทุ่มหมดตัวเลยเนี่ยเราดูทีศรัทธาขนาดนั้นอ่ะท่านจึงเรียกว่าอจะลศรัทธาแปลว่าศรัทธาไม่คลอนแคลนยิ่งกว่าเสาอินทรกิินอินทรคินเสาอินทรกิน ค, คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเสาพระเจ้าโศกมัง้งฮะเสาอินทรคินเลย ลึกแปดซอกฝังจมลึกแปดซอกเนี่ยจะเอาอะไรมาโยกมาคลอนไม่มีก็ เ, เรียกว่าศรัทธาไม่มีโยกคลอนแต่ถ้าตรงกลางข้ามแล้วศรัทธาหัวเต่ายืดยืดหดหดยืดยืดหดหบางคนจะทําบุญเนี่ยกำอย่างนั้นโอ้โหจนเงือโชคหมดจนเงินเกือบเปื่อยก็จะก็จะออกปากทําทบุญเนี่ยอ ถ้าเวกเราไปซื้อเองเราก็ได้อิ่มไปหลายหลายวาระนะเอ๊ะ <Yeah. S 1> คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอืมนี่คือศรัทธาศรัทธาขนาดนี้เป็นศรัทธาที่ไม่อับไม่จนศรัทธาที่ไม่อับไม่จนแล้วก็คนประเภทว่ามีศรัทธา แต่ยังไม่ใช่เป็นเป็นพระโสดาบานันอันนี้ก็ให้จนหมดตัวเหมือนกันเช่นอย่างท่านพูดถึงอะไรเนี่ยท่านพูดถึงทุ ก, กะตะทุกะตะเนี่ยที่ได้ได้ผลได้อาหารสำหรับทำทานสำหรับสำหรับส่วนเดียวเนี่ยให้แก่คนคนเดียวเนี่ยให้แก่คนคนเดียวไปใส่บาให้กับพระปัเจกเนี่ยที่ท่านไปเข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวัน ท่านก็เลยไปโปรดเนี่ยท่านไปโปรดแล้วก็ใส่ใจ ท, ท่านปฏิเจต ท, ท่านกับปฏิเจตท่านกับลองใจเนี่ยพอใส่ได้ครึ่งหนึ่งเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาให้ทานเองบ้างเอาให้ทานเองบ้างโอ้ยขอให้ผู้เป็นเจ้าโปรดกับผมเถอะขอให้ ผ, ผมได้พอขอให้ผมได้ผลในชาติหน้าก็แล้วกันชาตินี้เดี๋ยวนี้ผมยังจนยังทุกยังจนอยู่ขอให้โปรดผมในอัตภาพหน้าในพบหน้าเถอะ นแต่ด้วยอเนกสงฆ์ที่ทําบุญกับพระปัจเจกผู้ที่เข้านี้รศสมาบัติมาใหม่ๆคงจะหิวจึงได้อเนกสงฆ์แรงได้บุญทันตาพวก น, นี้มักจะได้บุญทันตาอได้คุณทันตาดีอกดีใจได้บุญทันตาก็เหมือนอย่างนายทุกตะทําบุญนี่แหละเสียถีอยู่ใกล้ๆพอได้ยินว่านายนี้ทําบุญให้ทานไปจนหมดตัว ขอให้โปรดในอัตภาพหน้าขอให้โปรดในอัตภาพหน้ารู้ว่านายคนนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาทำบุญจนหมดตัวโอ้ยเราร่ำรวยขนาดนี้เราไม่กลาดทําเลยเพราะฉะนั้นเราอยากได้บุญกับนายคนนี้เอาไปให้เอาไปให้เอาไปให้เอาไปให้เ ป, ให เ, ปใหเป็นเศรษฐีสันตาอามี ม, มีมีหลายรายนะในสมัยพุทธกาลมีการให้อืให้มารู้จักประมาณให้ไม่มีประมาณ ให้ด้วยความเรื่ม ส, สายศรัทธาศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัญญาวัชนศรัทธาศัทธาไม่เกิดเพราะไม่มีปัญญาศรัทธาเกิดเพราะมีปัญญา ศรัทธาอาศัยปัญญาปัญญาอาศัยศรัทธาศรัทธาอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเลื่มอมใสศรัทธาเหมือนอย่างเราเนี่ยสติปัญญาของเรามืดทืึทบทือยู่นี่แหละไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าทำอันนี้แล้วได้ผลได้อานิสงส์ได้อะไรยังไงไม่มีปัญญาที่จะคิดดักหน้าดักหลังถึงผลถึงอานิสงส์ที่จะพึงได้ คิดไม่ได้คิดไม่ออกไม่มีศรัทธาขาดศรัทธาขาดความเชื่อขาดความเรื่อมใส่ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังไม่เห็นอเนสงของการได้ยินการได้ฟังไม่มีความเรื่มใสไม่มีศรัทธาสมัยพุทธกาลที่ว่าพพุทธเจ้าไปโปรดไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็ไม่มีปัญญามองไม่เห็นผลมองไม่เห็นบุญ มองไม่เห็นผลมองไม่เห็นบุญพวกเราจะให้ทานเราก็ต้องอาศัยศรัทธาต้องมองออกเออเห็นเขาได้ก็อยากได้กับเขาเห็นเขาได้ก็อยากได้กับเขาเ อ, อเห็นครับเห็นกรับทำมันต้องได้ผลได้อานิสงส์ทำตามเขาจริงก็มีบางคนเห็นอานิสงส์จากการตั้งอกตั้งใจทําก่อนให้กรับตั้งใจคิดไว้อย่างดีขณะให้ครับ มันจงให้อย่างดีให้ไปแล้วว่าโอ้ดีอกรีใจเริ่มใส่ศรัทธาตามหลังทําด้วยความจงใจด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองจริงๆไม่อาศัยสักดิแต่ว่าทำแบบโยนโยนทิ้งๆพอแล้วแล้ ว, ลวมือพลอยก็บอกว่าได้ทําได้ทําได้ทําอันนี้สงต่างกันเนะีตั้งอกตั้งอกตั้งใจก่อนให้ขณะให้ให้ไปแล้ว มีความนึกคิดได้แค่นี้ตั้งอกตั้งใจทำตามนั้นได้นี่เสดงว่าอาศัยปัญญาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วกับทำไปโอ้เราอยากรวยท่านบอกว่าคนที่ทำบุญไว้มากๆจะเป็นคนรวยแน่ได้ยินได้ฟังเห็นไหมการได้ยินได้ฟังเกิดประโยชน์อย่างนี้โอ้ท่านบอกว่าตั้งใจรักษาศีลมีผลมากมีอนิสงส์มากกว่าการให้ทานเป็นไหนๆท่านว่างั้นนะ แต่ถ้าตั้งใจให้ทานอย่างเดียวตั้งใจรักษาศีลอย่างเดียวผลอานิสงส์ผลอานิสงส์อันเป็นอริยทรัพย์อย่างอื่นมันก็ไม่มีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บริโภคแต่การมมคขุนเต็มแปรอยู่บนสวรรค์ด้วยอานิสงส์ที่ตั้งใจทําบุญตั้งใจให้ทานไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มีอายุมีความสุข แต่ว่านั่นคือผลของกามคุณเสวยความสุขเต็มแปร่อยู่บนนั้นพญาวบอกว่ า, วาถ้าใครอยากเสวยกามคุณเต็มแปร่เต็มเปีย่ยมให้ตั้งใจให้ฐานมากๆตั้งใจรักษาศีลให้มากไม่จำเป็นจะต้องสนใจภาวนาลายดอกทานทุ่มเทให้ใหทานตั้งใจรักษาศีลให้ดีให้ดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์พญาพุทธเจ้าท่านทรงแสดง ฐานักรถาศีลกถาแล้วก็พูดถึงผลของการให้ทานรักษาศีลสักขะกะถาสักขะในแปลว่าสวรรค์พูดถึงอั น, นิสงส์จะไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์หกชั้นนะเทวโลกบนบนบ น, บนสวรรค์หกชั้นเนี่ยเป็นชั้นของการเสวยที่เรียกว่ากามาพิจรชะกามาพิจรนะตาหูจมูกหรือกายใจเนี่ยส่องเสพกามคุณเต็มแป้อยู่บนนั้น เคได้ยินไหมพวกเท ว, วดาเขามีความสุขบนสวรรค์อันนั้นก็ทิปอันนี้ก็ทิปอันนี้ก็ทิปเพลินกับของที่เป็นทิปอยู่บนนั้นจนลืมกินลืมนอนลืมอะไรบันเทิงรื่นเริ ง, เ, รงเพลิดเพลินบางคนลืมกินลืมเพมเิ่มอาหารให้กับตัวเองมัแต่เสพสุขอย่างอื่นอะไรจุดติสะนะีอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสแสดงโทษของสวรรค์ อาทีนวัคขาโทษของสวรรค์นะฮะเพืจะชี้ให้ให้ให้เหมือนอย่างชีใช้ให้ยศชี้ให้ยสศเห็นทานกถาศีลกถาสักขกถาแล้วก็โทษของสวรรค์อาทีนวัคขาชี้โทษของสวรรค์ชี้โทษของกามคุณพูดง่ายๆชี้โทษของกามคุณเราชี้ออกไหมเราชี้ได้ไหม เรามีครอบครัวเรามีผัวมีเมียเรามีความสุขมีความสุขปเดี๋ยวก็ดาวเดี๋ยวทุกอันกระลมก็มาทุกอันนี้กรมก็มาทุกอันกรมก็มาเดี๋ยวด่าเดี๋ยวทอเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดาโคดดาแท้กันเดี๋ยวแตกบ้านแตกแล้วนั่นคือโทษของกาเมคุณกาเมคุณมันมีอิ่มมีพอมีเบื่อมีอิ่มมีพอมีเบื่อ โทษของการมคุณก็คือยื้อแย่งกันเราได้บ้างเขาได้บ้างเขาได้บ้างเราได้บ้างเขาได้มากเราได้น้อยเราได้น้อยเขาได้มากก็ยื้อแย่งกันอยู่อย่างนียได้มาบ้างแล้วก็เสียไปบ้างก็ยื้อแย่งกันอยู่อย่างนี้ท่เรียกว่าโทษของการมคุณเพราะสิ่งที่เป็นโทษของการมคุณสิ่งนั้นมีแก่มีชราขมข่าแล้วก็มีตายดับสลายหายสูญไป เป็นการแสวงหาสิ่งที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายรวมไปถึงของใช้ของสอยรวมไปถึงตัวเองที่จะไปเกิดไม่ใช่แสวงหาสิ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องที่ตั้งใจศึกษาฝึกฝนอรมณ์เพื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงโทษของสวรรค์เส ร, ร็จแล้วก็ สแสดงถึงอานิสง์ของการออกจากกามอือาทีนวานิสังสกถาอานิสงของการออกจากกาม ก, การออกจากกามก็คือเอากามในหัวใจของเราออกท่าเรียกว่าออกจากกามการออกจากกามมีอานิสงก็เรียกว่าสําร อ, อ ก, ากกามออกจากหัวใจของเราทํายังไงสํารอกกามออกจากหัวใจภาวนาหาใจสงบอ่า อยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ห้องหอที่ไหนก็ตามเราภาวนาให้ใจสงบนั่นใจออกจากกามเหมือนกับไม้สดถ้าใจเราเต็มแปร่ด้วยกามหมายเหมือนไม้ความว่าเหมือนไม้สดสดชุ่มด้วยยางกามมันเต็มแปร่อยู่ในหัวใจมันบรรจุเต็มแปร่อยู่ในนอกจากนั้นแล้วเราก็เสพกามเสมิร์เข้าไปอีกเหมือนเราไปแช่อยู่ในน้ําอีกเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วยังไม่พอยังถูกเอาไปแช่อยู่ในน้ํา บริโภคอยเนืองเนื่อ ง, องคือการเอาไปแช่อยู่ในน้ำบุตษต้องการเอาไม้แบบนั้นมาเสียเกิดไฟเหนื่อยเปล่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเราพูดอย่างนี้เราเห็นอานิสงส์ของการภาวนาให้ใจสงบพอใจสงบใจออกจากกามใจสำรอกกามออกจากหัวใจซึ่งเทียบได้ว่าไม้เริ่มแห้ง ไม้เริ่มแห้งความเปียกของไม้ยางของไม้มันเริ่มเหือเริ่มแห้งพอไม้เริ่มแห้งเอามาสีให้เกิดไฟเป็นไปได้ไม่เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าอยาไม้สดชุ่มในยยางถึงแม้จะอยูย่บนบกก็ตามก็เหนื่อยเปล่าเหมือนกันอันนี้เป็นอุ ป, ปมาที่เราฟังแล้วเราดูมาที่เราเนี่ยเราเป็น ประเภทไม้สดชุมด่มโดยยางอืแต่การกระทำนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลทำมากทำน้อยทำเท่าไหร่ก็ตามมีผลมีอานิสงส์ก็เหมือนอย่างเราเอาไม้สดๆมาถูให้เกิดเป็นไฟเเนี่ยราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะถลอ ก, กเปิกมันจะต้องถลอ ก, กเปิกเริ่มเหือดเริ่มแห้งเริ่ออะไรตัวอไปแต่จะให้มันเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นยาก ที่ใช่เกิดปัญญาเกิดปัญญาญานญานทัศนะเนี่ยมันเกิดไม่ได้เพราะยานความสงบคุณวิเศษเหล่านี้จะเกิดมันจะเกิดที่ใจไฟถ้าจะเกิดก็จะเกิดที่ไม้ที่แห้งในเมื่อใจเรายังชุ่มแปรเดือดกามปัญญายานที่ไหนจะเกิดมันเกิดไม่ได้ เราพูดอย่างนี้เราเห็นอานิสงส์ของความสงบเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าศีลห น, นุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาหนุนญาณทัศน์หนุนความเบื่อหน่ายคลายจางหนุนวิมุตหนุนหลุดหนุนพ้นพ้นไปเลยมันจะหนุนกันไปโดยลําดับเราไปดูวิสุทธิเกศไปดูวิสุทธิเกศไปดูธรรมะในหมวดเกศเราจะเห็น มันจะห น, น, นุนกันโดยลําดับลําดับลำดับลำดับเว ล, ลาเราตัง้งอกตั้งใจทําเราไม่ต้องไปนับเ อ, เ อ, อ, อ้เราจะเอาอะไรหนุนอะไรเราจะเอาอะไรหนุนอะไรขอให้เราตั้งใจเผาหนาใจได้รับความสงบไม่ต้องไปไล่ไลว่ว่าอะไรหนุนอะไรไม่ต้องไปไล่หรอกทําจนเพียงพอเมื่อเราสีไม้ไม้แห้งสีจนเพียงพอไม่ใช่สีหยุดสีหยุดสีหยุดสีไม่ยอมหยุดสีหนักหน้้าเขาไปเรื่อยจนมีสั ญ, ญลักษณ์บอก มีควันบอกมีขเข่าดำๆบอกมีฐานแดงๆบอกที่ไม่หยุดทียับพึ่ดจนเป็นเปลวเปลวไฟติดขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบเปลวไฟในชนี้เหมือนเหมือนปัญญาเหมือนปัญญาญานปัญญายาณก็คือการเข้ามารู้เข้ามาเห็นด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาของเราเห็นแจม่มแจ้งชัดเจนด้วยปัญญาของเราใครมาก็หกไม่ได้ ก็เหมือนกับพระสวด บ, บัลท่านเห็นนั่นแหละใครมาบอกว่าไม่เห็นบอกให้บอกให้โกหกว่าไม่เห็นเขาจะเขาจะให้สมบัติมหาจากักรพรรดิสมบัติมหาจากักรพรรดิมไม่มีความหมายเท่ากับสัจจะที่ท่านเข้าไปเห็นเพราะฉะนั้นอิจฉะศรัทธาพวกนี้คืออิจฉะศรัทธามีศรัทธาไม่คลอนแคลนศรัทธาไม่คลอนแคลนพวกเราก็ตั้งใจแล้ว พยายามตั้งใจให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อเชื่ อ, อควรจะเชื่ออะไรเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เชื่อผีมีจริงเปรตมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเชื่ อ, อยูเป็นสมาธิที่ยูแต่แนวปฏิบัติที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นทำยังไงแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีข้อปฏิบัติ ปฏิบัติไปด้วยจิต ด, ด้วยนิสัยของเรามีโอ้เห็นรกโอ้เห็นสวรรค์อืโอ้เห็นพรหมโลกโอ้เห็นที่นู่นที่นี่เห็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ได้อัดโอ้ได้ทำเพราะอะไรเพราะเราทําเหตุในเมื่อเราทําเหตุแล้วผลก็จะต้องตามมามีเหตุแล้วผลก็จะต้องตามมาเป็นเรื่องธรรมดาพึงพุทธเจ้าพึงพระธรรมพึงประสงค์มีข้อปฏิบัติ เมื่อมีข้อปฏิบัติก็คือมีเหตุที่จะพึงดําเนินเหตุที่พึงดําเนินคือปฏิปทาข้อบประพฤติข้อปฏิบัตินั่นแหละพอเราทําไปแล้วมันเป็นการลงมือสร้างเหตุแล้วก็การลงมือสร้างเหตุในทีนี้คือหนึ่งทำให้ใจสงบสองพิจารณาเกิดปัญญานี่เข้าหลักของสมถะแล้วก็เข้าหลักของวิปัสสนาอันนี้คืองานข้างใน มันเป็นงานขัดสีหัวใจเมร้อยเกิดความรู้เกิดความฉลาดคนเรามันอับจนที่ปัญญาที่จิตของเราเนะี่ะมันอับจนแม้แค่ความสงบเราทําเนี่ยทําง่ายหรือทํายากเราลองลองตั้งใจทําดูพุโทโธพุทโธได้สองสามคำมันถีบไปตกถุวยไหนก็ไม่รู้แหละนะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเป็นปฏิปักษ์กับธรรม ในระหว่างที่เราพูดโธพูดโผพูทโธกิเลสมันอยู่ในนั้นเนี่ยเรื่องอะไรมันจะยอมะมันไม่ยอมมันที้หนีก็ไปเลยแหละเป็นข้ออุปมาเป็นข้ออุปมากิเลสมันเป็นปฏิปักษ์กับธรรมธรรมเป็นปฏิปักษ์กับกิเลสเมื่อเอาธรรมะไปใส่กิเลสมันก็ต้องเร่าร้อนมันก็ต้องเร่าร้อนมันก็ต้องต่อสู้ต่อสู้ได้มันก็สู้จนชนะ ต่อสู้ไม่ได้มันก็กเด่นออกไปเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทําให้ใจได้รับความสงบมันเป็นธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเราปล่อยจิตของเราไปตามตามบุญตามกรรมมันเป็นกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรามาตั้งสูตรใหม่ธรรมกรรมวิบาก เป็นการตัดวัตวนุนพยายามตัด ก, กระแสของวัตตะทำกรรมวิบากพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละคือธ ร, รรมสติธรรมปัญญาธรรมจนเกิดปัญญายานเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็ไปจากบทภาวนาอนี้แหละหรือจะพิจารณาโดยใช้สติกำหนดจดจอ่อตามหลักมหาสติปัฏฐานมันเป็นการลงมือด้วยธรรมธรรมกรรมวิบาก ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอนานาจของธรรมทำเสร็จแล้วมีผลเมียนิสงส์ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอนานาจของกิเลสทำแล้วมีผลเมียนิสงส์เป็นกิเลสหัวใจของเรามีกรรมของธรรมมีกรรมของกิเลสไม่ใช่มีแต่ธรรมอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่กิเลสอย่างเดียวด้วยเหตุที่เราเป็นมนุษย์เรามีมนุษยธรรม การมีมนุษยธรรมนั่นแหละต้องมีธรรมะติดเนื้อติดตัวมาอย่างในน้อยสินเราจะต้องแน่นหนามันของข้อใดข้อหนึ่งอาจจะไม่บริสุทธิ์ทุกข้อแต่กับถือเด็ดขาดข้อใดข้อหนึ่งน่เป็นเหตุให้เรามีมนุษย์สมบัติมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนถือบริสุทธิ์ได้ทั้งห้าข้อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติมีปัญญาเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นอั ชริยะบุคคลมีสติมีปัญญาแพราวมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีทรัพย์มียศที่สำคัญที่สุดคือมีปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอับจนเราควรสะแสวงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรามีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติไม่เหมือนกิเลสกิเลสเนี่ยมันเป็นกระแสที่ต่ําถ้าเราปล่อยชีวิตเราตามบุญตามกรรม กลายเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวัตวันวัตตะวนกิเลสกรรมวิบากหรือวัตตะสงสารนั่นเหนเดียวกันวัตตะสงสารก็คือท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเขาเรียกว่าสังสาระคือการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายสังสาระวนเวียนอยู่แค่นี้แหละตายตายแล้วเกิดใหม่แก่เจ็บตายตายแล้วเกิดใหม่สังสาระ เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมให้ให้รู้จักทุกให้รู้จักสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติเพื่อความดับดับทุกแล้วก็ดับทุกยังไม่ได้วัตตะของคนคนนั้นยืดยาวไปไม่มีที่จบวัตตะสงสารของเราพัฒนาไปแบบยืดยาวไม่มีที่จบพัฒนาไปถึงไหนก็ตามยาวไปถึงไหนก็ตามความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็พัฒนาไปตามนั้น เพราะการเกิดคือกองทุกเกิดความเกิดคือความทุกเกิดคือกองทุกเกิดอตัวเราทุกคนนี่เลยเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกเป็นกองทุกเป็นตัวผลดูให้ดีตัวผลตัวนี้มาจากเหตุที่เรียกว่าสมุทยัยลึกๆเข้าไปถึงตันหาในหัวใจของเราแน่ไม่พ้นจากเรื่องของตันหาที่มีในหัวใจของเราตันหาคือความอยาก ความอยากในหัวใจของเราความอยากมันพาดิดพาดิน้นทุกอยาก่างทุกเรื่องตามแต่มันจะอยากแต่ถ้าอยากตามอำนาจของธรรมธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากแต่ตามอำนาจของกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสมันก็มีอยู่แค่นี้แหละในหัวใจของเรามีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสปนเปื้อนมาด้วยทุกคนได้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงมา ตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ได้มาแล้วมันมีความโง่ตามมาด้วยอวิชชาตันหาเคลือบแฝงมาด้วยอวิชชาก็คือตันหาตันหาคืออวิชชาพิษสองของมันทั้งนั้นเละกิเลสคือพิษสองของตันหาตันหาราคะคือพิษสองของตันหาอวิชชาความมืดความบอดก็คือตันหาตัวเจ้าตัวจองของมันก็คือตันหา ผู้รู้ดวงนั้นมีตันหาเป็นยางเหนียวเหมือนอยางเหนียวของพืชเป็นยอดอ่อนของพืชเป็นยางเหนียวของพืชไปตกที่ไหนก็มีพบอืมีชาติมีพบที่ไหนก็จะต้องมีชาติที่นั่นชาติคือความเกิดพบคือที่เกิดอเกิดที่ไหนกองทุกเกิดที่นั่นเกิดที่ไหนกองทุกเกิดที่นั่นทุกอะไร ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกความไม่คงทนทุกทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปความทุกข์อันนี้เป็นความทุกข์ในอริยสัจทุกทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้การที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละคือตัวทุกเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังเราไปดัดแปลงมันได้ไหยดัดแปลงไม่ได้เอ บังคับให้มันอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนไปได้ไหมบังคับไม่ได้บังคับให้มันนิจจังไม่ให้เป็นมันเป็นอนิจจ์ได้ไหมไม่ได้หากเป็นกระแสของธรรมชาติเหล่านั้นการที่เราเห็นกระแสเหล่านี้แหละท่านเรียกว่าเห็นกระแสธรรมเห็นกระแสธรรมเหมือนพระอัญญาคุณัญะได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นกระแสธรรมเข้าใจในกระแสธรรมยอมรับเต็มร้อย อย่างกิจิสมุทัยธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมางังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นคือกองทุกทุกทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตามีอะไรปบังคับบัญชาอะไรได้ไดบ้างด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นั่นแหละเราจะเรียกว่าเราได้ยังไงเราจะเรียกว่าของของเราได้ยังไง ถ้าเป็นของของเราเราต้องบังคับได้ถ้าเป็นเราเราต้องบังคับได้ให้อยู่เท่าเดิมไม่ให้เปลี่ยนไปบังคับอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเราดูรอบข้างตัวเรารวมมาถึงร่างกายของเรารวมมาถึงจิตใจของเรามีอะไรอยู่เท่าเดิมมีไหมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมร่างกายของเรามีอ้วนเท่าเดิมไหมผอมเท่าเดิมไหมอ้วอ้ว น, วนผอมผอมสุขเท่าเดิมไหมทุกข์เท่าเดิมไหม ทุกทุกสุกสุกสุกสทุกทุก็บไข้ได้ป่วยเท่าเดิมไหมเก็บไข้ได้ป่วยหนักกว่าเดิมไหมมันไม่เคยคงที่ไม่มีอะไรเท่าเดิมเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละด้วยเหตุที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นภาวะความเปลี่ยนไปอย่างนี้ทัานว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามันทุกหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อนุกตสิงใดสิงหนึ่งสิงใสิ <línea> <Sir maybe S 3> ่งหนึ like okay. really ่งสิงใสิงหนึ่งสิ่งใสิงหนึ่งพุทธเจ้าท่ส่งกระแสจิตตามดูเห็นจิตของพระอัญญาโกฏัญญะเข้าไปสัมผัสกระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรมท่านอุทานออกมาเออัญญาสิวัตถะโพกณัญโยัญญาสิวัตถะโพกณัญโยโกณัญญะได้รู้แล้วหนอโกณัญญะได้รู้แล้วหนอพระองค์เห็นทั้งข้างนอกพระองค์เห็นทั้งข้างในตาใน ทั้งตานอกเห็นทั้งต า, นนงตานในอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องมีตานอกตาในาไม่งั้นไปสอนพุทธบริสันไม่ได้ไปดัดพุทธบริสันไม่ได้ไปทรมานพุทธบริสันไม่ได้จะไปทรมานให้เอาเขามาเป็นสาวกไม่ได้เหมือนอย่างพระองค์ไปทรมานอุรุเบลกัส ป, ปะเนะี่ยไปทรมานจนไม่รู้เท่าไรเท่เท่าไรกี่ร้อยกี่พันอุบายวิธีว่าเขาจะยอมรับ พอเวลาเขายอมรับดูข้างในโอ้โหเขาลงเราเต็มร้อยแล้วใส่ปับ๊บถ้าไปใส่ตอนที่เขายังแข็งกระด้างอยู่เนี่ยเขาไม่ยอมรับผลก็ไม่เกิดใช่ไหมยังรอจังหวะยังรอเวลาไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บใส่ปุ๊บไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บใส่ปุ๊บดูข้างนอก ด, ดูข้างในด้วยตานอกก็เห็นตานในก็เห็นพวกเราเราทําอะไรไม่เหมือนพระองค์เพราะเราไม่มีตานในและมีแต่มีแต่ตานอก ตานอกมันทีก็ตาบอดสิตาฝ้าตาฟางสิข่าปัญญาตาของพระองค์ปัญญาติตาปัญญามังสะจักสุมังสะจักสุสกสเนื้อตาธรรมดาตาในทิพยประจักษสุตาในทิพยประจักษ ส, กสุเหมือนพระอนุอนรุทธะมีทิพยประจักษ์สุ เห็นเห็นรูปทิพในตาในตาทิพรู wow ้เห็นเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภาวะของสิ่งเหล่านี้แหละภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือภาวะของธรรมชาติภาวะเหล่านี้ถ้าเราเห็นแล้วเราจะไม่ไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่ชะล่าใจเราจะไม่ประมาท มัวเมาเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่เมาในในวัยเมาในโรคเมาในความไม่ตายเมาในความไม่มีโรคเราจะไม่เมาคำว่าเมาก็คือลืมตัวลืมเมื่อลืมตัวแต่ด้วยเหตุที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้เราไม่เมาเราไม่เมาเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ประมาทไม่มัวเมาเห็นภาวะรอบข้าง เห็นไตร ล, ลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขงังหน้าตาถ้าเรียกไตรลักษณ์หรืออีกอันหนึ่นงเ้าเรียกว่าสามัญยักษลักษณะยลักษณะสามัญยลักษณะลักษณะของสามัญทั่วทไปสามัญของอะไรสามัญของสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีภาวะอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้จะเป็นสังขารที่มีวิ ญ, ญญาณครองก็ตามไม่มีวิ ญ, ญญาณครองก็ตาม เหมือนอย่างวัตถุอยู่รอบตัวเราเป็นกองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองแต่รูปธรรมกันนามธรรมของเรามีวิญญาณครองวิญญาณคือธาตุรู้คือผู้รู้แม้ผู้รู้หนึ่งเดียวมันเกิดมาเนี่ยมันหอบเอาปัญหาสารพัดมาให้เราใจของเราเนี่ยแหละมีใจหนึ่งเดียวทุกเลยเกินเดี๋ยวอยากนู่นเดี๋ยวอยากนี้เดี๋ยวอยากสารพัด เพลินเพลินเพลินไปอยากอยากด้วยอำนาจของความเพลินเผลอแล้วตกกระป๋องแล้วเพลินเพลินเพลินเพลอแล้วตกกระป๋องแล้วถึงเราอับจนแล้วเลือดเยิอมกลับมาแล้วนนี่คือเรื่องของตันหาในหัวใจของเราเราเห็นท่อของสิ่งเหล่านี้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาญาอาศัยสมาธิอบรมสมาธิอบรมปัญญาขัดสีอยู่อย่างนั้นแล้ว จนเกิดปัญญายานจนเกิดญานทัศนะอตราบใดที่ยังไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่เกิดอยู่ในขั้นที่ว่าฝึกหัดจนเกิดเมื่อเราถูไม้เกิดไฟตราบใดที่ไฟยังไม่เกิดมันคือไฟยังไม่เกิดถูไปสไลด์ไฟมันถึงจะเกิดถูไปจนติดจนไหม้นั่นแหละคือไฟเกิดถึงจะได้ไฟใช้ธรรมะที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเช่นเดียวกัน ไม่เกิดก็คือไม่เกิดเกิดก็คือทําจนถึงจนเกิดอืมแต่เราต้องได้ข้อปฏิบัติเราต้องได้แนวปฏิบัติเหมือนอย่างเราต้องการให้จิตสงบเราก็บริการพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นแบบอย่างพุโทโธนี้เป็นแบบอย่างเพราะเราทำไปแล้วจิตสงบจิตสงบนั้นแนหะคือตัวเนื้อหาทั้งลว้ลวนเลยเนื้อหาของความสงบเพราะพุโทโธแปลว่า พูดตื่นผู้เบิกบานอเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเราทําตามเยี่ยงอย่างอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นแบบเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างทำแลจ้จิตสงบจิตสงบจิตตื่นจิตรู้จิตเบิกบานอันนั้นเป็นเนื้อหาโดยแท้ ใครเห็นอันนั้นคือคนนั้นเริ่มเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วนี่คือความสงบในหัวใจของเราจิตสงบจิตสงบก็คือกิเลสสงบตัณหาสงบถ้าตัณหามไม่สงบตัณหามันก็ ด, ด, ดิ้นที่จิต ด, ด, ดิ้นเรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องเปลี่นเรื่องรอ้เรื่องสัมผัสเรื่องปัญหาทุกๆปัญหา ที่เกิดขึ้นแม้แต่เราเรานั่งหลับตามันก็มีเรื่องทํามันก็มีงานทําเพราะสัญญาอะเรามันมาหมดที่เป็นรูปรู ป, ปรสัญญาที่เป็นเสียงสัท ธ, ธาสัญญาที่เป็นกลิ่นก็คันธะสัญญาที่เป็นรสก็คือรสสัญญาที่เป็นกายโพธพภะคือการกระทบและก็มะโนสัญญาการน้อมนึก ตกตรองนึกคิดอยู่ข้างในสิ่งเหล่านี้ตกผลึกไปเป็นสัญญาอารมณ์เท้งนั้น่ะเราไม่ลืมตาดูเราลั่งหลับตาแต่เราก็อยู่ในวงจรกระแสะวงจรของสิ่งเหล่านี้เป็นจักรวาลเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตของจิตของเรานี่คือผู้ตื่นของเราคือผู้รู้ของเราคือจิตของเราดวงเดียวเกิดเมื่อไร่และจะดับเมื่อไหร่เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่พระเจ้าท่านไม่เคยพยากรณ์เอาไว้ ท่านมาตั้งหลักปฏิจจสมุปบาทท่านให้คํ า, าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้โดยเนื้อหาไม่รู้โดยแบบอย่างไม่รู้โดยเนื้อหาของมันไม่รู้โดยแบบอย่างคําว่าอาวิชชาจึงเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมอวิชชาเกิดขึ้นในหัวใจของเราเกิดขึ้นยังไงเราภาวนาพุโทโธสิ พุโทธโทธพุธโทโธพุทโธพุทโธพออาวิชชามาครอบปับ๊บจิตไม่อยู่แล้วมันขาดสติจิตก็ไม่อยู่แล้วตัณหามาสวมรอยแล้วเอาไปใช้ที่นู่นที่นี่เอาไปแล้วอืมจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอตัณหามาครอบปับ๊บนั่นแหละคืออวิชชามาครอบอวิชชามาครอบไปแล้ว อวิชชาเก่านั่งเดิมมันส่งเรามาแล้วอวิชชาใหม่ที่มันจะเพึงเกิดมันก็เกิดตามมาเราภาวนาไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสงบเพราะว่าอาวิชชามันครอบครอบจิตปิดบังสติปิดบงัปดบงปัญญาปุ๊บไปไหนก็ไม่รู้แหละตัวอวิชชาครอบแต่ถ้าเป็นวิถ้าเป็นวิชามาครอบวิชชาปแปล ว, ว่ารู้รรสติสัมปชัญญะเป็นตัวรู้กำลังจดจ่ออยู่อย่างนั้น มันเอาจิตเราไปใช้อย่างอืง่นไม่ได้ก็กำหนดจดจอรู้รู้สักเท่ารู้อยู่นั่นนะอรู้อืเป็นอุเบกขาอุเบกขาเอกคตาจิตไม่มีกิริยาไม่มีอาการคือความสงบนี่คือรู้คือวิชาแต่ถ้าเป็นอวิชชามันไม่รู้ ไม่รู้จิตเราไปตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหรนั่งภาวนานจิตไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวการใช้สติพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็เช่นเดียวกันตราบใดที่เกิดปัญญาเกิดวิชาตราบนั้นตัณหาก็สวมรอยไม่ได้เมื่อตัณหาสวมรอยไม่ได้อวิชชาดวงนั้น มันเป็นปัญญามันกลายเป็นวิชามันกลายเป็นปัญญาแต่ถ้าหากวิชาดับอวิชามันก็นมาครอบงมแทนขาดสติขาดสัมพััญญาขาดความระลึกรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวรวมแล้วคือขาดปัญญามันขาดปัญญาในหัวใจตรงนั้นขาดปัญญาไม่มีอะไรมารู้ไม่มีอะไรมาเข้าใจ เพรเหตุที่จิตของเรามีกิเลสปนเปื้อนมาด้วยนั่นแหละนั่นแหละคือกองสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปถึงเรียกว่ากองสังขารหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกว่าสังขารจิตที่ชำระบริสุทธิ์หมดจดแล้วเหลือนหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกสังขารจิตพระอริยเจ้าท่านไม่เรียกกองสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารเรียกไปอย่างอื่นไปเลย วิแปลว่าต่างจากสังขาร ว, วิเศษแจ้งต่างวิสังขารเป็นสังขารเป็นสังขารอื่นไปเลยไม่ใช่สังขารเพื่อเป็นรูปเพื่อเป็นนามเพื่อเพื่อเป็นวิญญาณผัสสะเวทนาตัญหาหมดลำดับขั้นตอนของการให้ผลของตัญหาตัญหาตามรูปคลาไม่ได้ในเมื่อตันหาตามรูปคลาไม่ได้ จิตของเราก็เป็นหนึ่งเดียวเพราะตัณหานะี่ยเอาออกแล้วเหลือแต่จิตผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีสังขารไม่เป็นสังขารไม่ได้ประกอบไปได้วยอะไรเป็นหนึ่งเดียวเอกโกธรรมโอเป็นธรรมแท่งเดียวเป็นธรรมหนึ่งเดียวอืตัณหาเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอุปาทานก็ไม่มีพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีชําระมาถึงตอนนี้คือพบไม่มีชาติไม่มี ตาแล้วไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรก็เพราะมันขาดตัณหามันขาดไปจากหัวใจหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวไปจับจองพบเพราะฉะนั้นการที่เราจะาไปอบัตในพบไม่มีเยอใหญ่ที่จะไปเกิดในพบมเมล็ดพืชของเราเนี่ยเน่าแล้วอเมล็ดพืชของเราเนี่ยเสื่อมใช้แล้วหมดยอดอ่อนหมดยางเหนียวไม่มีอะไรจะเป็นตัวเจริญอีกแล้ว ไม่มีอะไรเจี๊ยบไปเจริญเป็นพบเป็นชาติอีกเราพูดอย่างนี้เราก็พันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยแหละหันมาที่นี่เราจะเห็นเห็นจิตของเราจิตของเราก็าพันอยู่อย่างนี้แหละเราดูวงจรของจิตของเรามันโดดดิ้นไปที่ไหนบ้างที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสเป็นที่รักเป็นที่ยินดีเป็นที่รักเป็นที่พอใจ พิยรูปสาตรูปมันรักมันปล่อยใจรักก็คือชอบพอยใจก็คือชอบสิ่งใดก็ตามที่เราชอบเดี๋ยวเราก็โวยเข้ามาโวยเข้ามาโวยเข้ามาสิ่งใดที่เราไม่ชอบผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปทั้งชอบทั้งไม่ชอบมีผู้มีผู้เดียวเท่านั้นที่กลมบงเหียนอยู่ตัณหา ตราบใดที่ตัณหากุมบางเหียนอยู่มีชอบกับไม่ชอบชอบก็โกยเข้ามาโกยเข้ามาไม่ชอบผลักออกไปมันปิดบังความจริงไม่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วก็ทำให้เราพอใจอยินดีว่าสวยว่างามรักใครแล้วก็ชอบใจน่ารักน่าพอใจปีรูปสาธรูปโอ้รูปนี้น่ารักอ้อรูปนี้น่าพอใจใจมันชอบแล้วน่ะ เห็นว่าน่ารักน่าชอบใจน่าพอใจคือมันชอบแล้วเสียงก็เช่นเดียวกันรูปเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่าโพธิภะธรรมารมกับใจนี่มันเป็นที่รักมันเป็นที่พอใจจากนั้นแล้วก็ผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาจนไล่อย่างละหอย่างละหกอย่างละหก สิบหมวดเป็นหกสิบหกสิบช่องหกสิบรูคือช่องคือรูที่ตั้หาที่มันจะโผล่ขึ้นมาที่หัวใจของเราเหมือนวัตถุหนึ่งตั้งอยู่อย่างนี้มีหกสิบรูที่เป็นรูทะลุมาถึงวัตถุที่เราตั้งเอาไว้นี้ใจของเราก็เช่นเดียวกันผู้รู้ของเราหนึ่งเดียวมีช่องที่จะเข้ามาสู่ใจนี้มีช่องที่ ตัณหามันจะเกิดในหัวใจดวงนี้หกสิบช่องเราย่นย่นย่อลงมาให้เหลือแค่หกตาหูจมูกลิ้นกายใจเอ๋สมมติว่าเราไล่แย้มันวิ่งเข้ารูเราต้องการจะจับแย้แล้วก็ปิดรูห้าหกช่องปิดซี่ห้าช่องช่องนั้นก็ปิดช่องนั้นก็อุดช่องนั้นก็อุดช่องนั้นก็อุดเหลือช่องเดียวแล้วก็จ้องค่อยๆจ้องดู หรือช่องเดียวคือช่องจิตเทียบมาที่เนาะช่องจิตดูมาที่ช่องจิตจ้องดูสักหน่อยเดียวมันเยอะมันโผล่ขึ้นมาเห็นปั๊บมันก็หดเข้าไปเห็นปั๊บมันก็หดเข้าไปอ๋อมันอยู่ในนี้เองอ่าเอานน่นมาอันนี้มาขุดเข้าไปตามไปตามาไปจับมันได้อยู่ในนั้นน่มันมีช่องมีรูมากมายก็ตาม แต่เราให้ความสําคัญที่จิตดวงเดียวเขาเราเป็นใจดวงเดียวเป็นใจหนึ่งเดียวเราไม่ได้เรียกตามหลักของอภิธรรมอภิธรรมจิตมีมากมายมหาศาลเขาเรียกตามอาการของจิตไมาแยกอีกเป็นประเภทเจตสิกอ่าเจตสิกก็คืออาการที่เกิดจาก จ, จิตนั่นแหละเจตสิกก็คืออาการของจิตเช่นอย่างสติเอ้ยสามชัญชยะเอ้ยฮีริโอตปา อันติสระจะเนี่ยเป็นเจตสิกเกิดกับจิตตั้งอยู่กับจิตดับไปกับจิตจบลงแล้วคือคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติของจิตเราไปไล่ไปไล่มาไล่ชื่อมันะไล่ไปไล่มาหลงอา้าวไปไปอันนี้ไปเตะกันนั้น น, น, ะนะนั้นไปเตะกันนั้นนั่ไปเตะกันนี้ภาคปฏิบัติดูมาที่ผู้รู้ดวงเดียวไม่สับสนจะออกเข้ามาที่จิตของเราดวงเดียว จาะมาที่กายก็เอาจิตของเราจาะจาะมาที่เวทนาก็เอาจิตของเราจาะจาะมาที่จิตคือเอาจิตจาะจิตพิจารณาจิตเจาะมาที่ธรรมก็ไล่เข้าไปทุกสมุทัยนีโรอดมากเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของธรรมทาไมพระเจ้าท่านจึงทรงแสดงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้รูปเวทนา รูปกายเวทนาจิตธรรมเพราะตัณหามันพาดพิงมาที่นี่ที่กายที่เวทนาที่จิตและก็ที่ธรรมตัณหามันพาดพิงเข้ามาเพราะงั้จึงทรงสแสดงมหาสติปัฏฐานใช้สติเป็นเครื่องไม้เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือกำหนดจดจ่อพิจารณาไม่ให้มันคลาดสายหูสายตาของเราไป จอมาที่จิตตรงเดียวเนะี่ยมันมีรูช่องมากมายเยอะๆจอมาที่รูเดียวอยู่หมัดเลยเราศึกษามาอย่างนี้ทําให้เราไม่ง ง, งไม่สับสนถ้าเราไปไล่ตามชื่อตามกิริยาการของมันไปขัดกันเองเอา้าอันนี้ทําไมท่านว่าแบบนี้อันนั้นทําไมท่านท่านว่างั้นสับกันไปสับกันมาแล้วอันไหนเป็นนไหนกันแน่งงสับสนไปหมดเลยจอไปที่ผู้รู้ดวงเดียวแตกแม่แตกลูกอยู่นั้นแหละอะไรเกิดขึ้นเห็นตรงนั้น อะไรตั้งอยู่เห็นตรงนั้นอะไรดับไปก็เห็นอยู่ตรงนั้นอะไรก็เพิ่มก็เห็นตัวนั้นตัวจิตนั่นแหละขหนดจดจ่อเข้ามาพิจารณาจิตดูจิตดีใจดูจิตเสียใจดูจิตยินดีดูจิตยินร้ายจิตราคะจิตโทสะจิตโมหะดูกิริยาอาการของมันจิตแท้ๆที่ละเอียดลึกเหมือนผู้ที่มีคุณสมบัติละเอียดลึกเข้าไปแล้วดูยาก แต่ถ้ามันถึงถึงขีดถึงขั้นนั้นเราก็ดูได้แต่ว่าจิตตานุปัสสนาที่พระเจ้าท่านให้เราดูตามรูพิจารณาจิตให้ตามพิจารณากิริยาอาการของมันจิตรักใครรู้ว่ารักจิตหายรักก็รู้ว่าหายรักจิตโลภก็รู้ว่าโลภจิตหายโลภก็รู้ว่าหายโลภจิตราคะตัณหาก็รู้ว่าราคะตัณหาจิตหายราคะตัณหารู้ว่าหายราคะตัณหาละเอียดละเอียดมากมีใครรู้ว่ามี หายไปตอนไหนอะไรยังไงก็ให้รู้ว่าหายอโอ้เพราะฉะนั้นมันถึงมีความรอบคอบมากการพิจารณาเกิดรู้เกิดเห็นข้างในการทำอยู่ข้างหนมันละเอียดรอมอืพิพจารณาไปพิจารณามาขยับไปขยับมาละเอียดที่ท่วนกว่าจะเห็นตัวเจ้าตัวจอมของสมุทรไทยที่แท้ทจริงกว่ามันจะเผชิญหน้ากันแล้วกบ สูญไปละลายไปหายไปมอดไหมไปเลยไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มีแต่กิริยาการพอถูกประชนหน้ากันด้วยปัญญาหรือปัญญายานท่านละพลิกตัวหายไปเลยเป็นสมุทยที่ไม่มีตัวไม่มีตนเน่ย <Yeah. S 1> นี่เราพูดวนวนอยู่กับจิตของเรา พูดไปพูดมาเกือบสามทุ่มเราเลิกสี่ทุ่มใช่ไหมเราเลิกสี่ทุ่มเนี้ยเราจะพานั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งภาวนาให้ใจสงบนะจะพิจารณาตามแนวมหาศีปทานแล้วก็พิจารณาได้ในขณะที่เราเริ่มทีแรกเราพยายามตั้งใจทำให้มันสงบเอาบทพุทโธนี่แหละพุทโธพุทโธพุทโธนานเข้าไปนานเข้าไปมันเจ็บมันปวด แล้วก็ดูที่ลมพุทโธพุทโธแล้วขยับมาที่เวทนาปวดตรงไหนเจ่อเข้าไปทางนั้นปวดตรงไหนจออเข้าไปทางนั้นนี่กลายเป็นการใช้ปัญญาทีแรกครไม่ให้มันสับสนให้มันอยู่กับพุทโธเดียวพุทโธพุทโธจากพุทโธตัวหนึ่งไปหาพุทโธอีกตัวหนึ่งไม่ให้มันขาดให้มันต่อเนื่องกันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ให้มันต่อเนื่องให้มันเหมือนเส้นเดียวพื้ดไปเลยลองดูตั้งออกตั้งใจทําขนาดนั้นแหละเพื่อต้องการให้จิตของเราได้รับความสงบพอเกิดเจ็บเกิดปวดขึ้นมาเราพุทโธนั่นแหละแต่ไม่จ่อลมเนะี่ยจ่อมาที่ที่ปวดพุทโธจ่อที่ปวดนั่นแหละพุทโธพุทโธจ่อได้ไหมลองจ่อลองดูที่มันปวด ปวดต่อโภคปวดหลังเท้าปวดหัวเข่าเงี้ยปวดเอวเงี้ยพรนั่งนานเนี่ยพุทโธก็จาะไปตรงที่ปวดพุทโธเข้าไปอยู่ตรงกลางปวดเลยพุทโธพุทโธจักเว่ากิริยาไม่มีเราไม่เป็นเราไม่เป็นของของเราอเข้าใจไหมสองวาระวาระแรกทําให้สงบอย่างเดียววาระที่สอง เจาะแทนที่จะกํากับด้วยลมพุโทโธเจ่อมาที่ที่ทุกเขเวทนาแทกแทกตัวเอาจิตของเราแทรกตัวก็ pp! เข้าไปอยู่ตรงกลางปวดแสบปวดร้อนอะ่ะขยับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยจิตก็ดําริพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธมันได้จิตด้วยมันได้เวทนาด้วย การที่เราดําริพุโทโธพุทโธก็นั่นนะ่ะมันคือการดําริของจิตอการที่เราจาะไปที่ทุกขเวทนาทําไมทําไมเราต้องมองทุกขเวทนาถ้าเราไม่มองสักหน่อยเดียวตัณหาสวมรอยโอ้ยปวดโอ้ยปวดเราโล่ขึ้นมาตัณหาโผล่ขึ้นมาทิฏฐิมรณนะมันก็โผล่ขึ้นมาอคําว่าเราปวดมันก็โผล่ขึ้นมา พอเราปวดโพล่ขึ้นมาโอ้ยมันมารุมมารวมกันเจ็บปวดขั้นรุนแรงขึ้นมาอดรอนทนไม่ไหวแล้วต้องพลิกต้องเปลี่ยนแน่ๆต้องเปลี่ยนปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีจะ ต, ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความถีีเยิบในการกำหนดจดจบพิจารณาลองดูภา้นให้ใจได้รับความสงบหนึ่งสงบด้วยสมถะสองสงบด้วยวิปัสสนาเกิดปัญญา การเดินเหมือนกันเหมือนอย่างที่เราเห็นหมู่เดินเนี่ยเราจะเดินใช้บทจเจริญปัญญาก็ได้สังเกตดูความรู้สึกของกายขยับเดินไปเหมือนผู้หนึ่งเดินผู้หนึ่งผู้หนึ่งเดินผู้หนึ่งดูผู้หนึ่งเดินก็ร่างกายของเรามันเดินผู้หนึ่งดูกำหนดจะจอลองดูเอาพุทโธเข้ากับอีกก็ได้ พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธกำกับจอ่อลองดูหรือจะกำหนดที่กิริยาอิริยาที่เราเหยียบก็ได้ยกเหยียบยกเหยียบยกเหยีย บ, บยกหเหยียบแปบคําว่ายกหนอเหยียบหนอนั่นแหละมันเดียวกันนั่นแหละมหาสติเป็นหลักของมหาสติถ้ามีสติกำหนดจดจ่อรู้ทันตั้นหาโผล่ไม่ได้อัดตาตัวตนโผล่ไม่ได้ ตันหาโผล่ไม่ได้ทิฏฐิมณะโผล่ไม่ได้ภพชาติโผล่ไม่ได้อุ ป, ปาทานโผล่ไม่ได้ภพชาติโล่ไม่ได้เราเริ่มทําให้เห็นเห็นผลตั้งแต่สั้นๆระยะสั้นๆ น, นี้เป็นต้นไปจนกว่ามันจะเป็นเองเป็นระยะยา ว, ยาว น, นั่นคือผลของการปฏิบัติแต่เราเรียกร้องหาผลนั่นผิดเรียกร้องหาเหตุ ทำเหตุให้มากทำให้มากเจริญให้มากเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเหตุคำนวณจดจอ่อผลใดๆจะปรากฏขึ้นไม่คำหนึ่งถึงคำนึงไม่ได้นะถ้าคำนึงก็คือตันหามันมาสวมรอยมันไปยึบซะก่อนละเพราะตันหามันมั น, นำหน้าแล้วเนี่ยโอกาสที่ทำจะเกิดเกิดไม่ได้ตั้งแต่นี้ไป สักครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบห้านาทีเข้าที่เข้าที่ภาวนานะคิดว่าเข้าใจออต่างต่างคนต่างตั้งอกอกตั้งใจนั่งพิจารณานั่งกำหนดจุดจอ่อบริกรรมพุโทโธพุโทโธเก็บปวดขึ้นมาก็พุโทโธเจอที่ปวดน่ะไม่พลิกไม่เปลี่ยนนะพออัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาปจับปุ๊บจับให้มันอยู่แย้มหลุดมือ ย่ามหลุดมาลงมือพร้อมจับปับ๊บพร้่มาจับปับ๊บมันทันบางทีมันสปาร์กันเน่ยพ่าราบไปเลยลองดูอ้าวนัภาวนาอานะนี่อัตติอัตโนนาโถงานนี่งานอัติอัตโนนาโถใครช่วยไม่ได้ดอกร้องหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ดอกอใคร ไม่ไหวเราหาพ่อหาแม่ก็ได้แต่อย่าออกเสียงก็แล้วกันเดี๋ยวได้วิ่งไล่จับกันนะ <c oughs> เอาตั้งใจเอง จิตเราทแท้ๆเราอยู่กับเขาทแท้ๆเวลาเราจับให้ทำงานเน่ะดูทีเวลาเราจับให้ทำงานพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปกี่ครั้งไม่รู้เลยหายไปแล้วตมหายไปแล้ว เราทำบ่อยครั้งเข้ามันชินมันเชื่องมันชินมีแรงสะสมมีแรงอบรมมันสั่งสมมันอบรมมันมีผลเพิ่มเพียงแต่เรากำหนดจุดจอกันดิ่งแนว สู่ความสงบจิตมันรำจิตเรามันไม่สงบถ้าจะว่าไปแล้วก็จิตมันหิวจิตมันไม่อิ่มเราต้องป้อนให้เขากินให้อิ่มป้อนอารมณ์พุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์พุทโธพุทโธคืออารมณ์ อารมณนะนะ์อารมณ์อารมณ์ปุถโทนี้เป็นอารมณ์ป้อนเข้าไปพอนเข้าไปป้อนเข้าไปสติมัดเข้าไปสัมผัฉันยะยะมัดเข้าไปกังวลจุดจ่อเข้าไปเริ่มหยุด <c oughs> ไปบ้างดึงกลับมาไปบ้างดึงกลับมา ดึงกลับมาอา้าวอยู่ไว้สักสักยาวสักหน่อยหนึง่งไปบ้างดึงกลับมาไปบ้างดึงกลับมาขยับมันอยู่อย่างนี้แหละแต่ข้อสำคัญว่าข้อสำคัญว่าจิตมันไม่ตื่นจิตมันจมจองเงียบให้ไปเลย จมเงียบหายไปเลยแม้แต่เราพยายามประคองมันก็ยังจมอยู่จมไปกับอารมณ์มันเงียบหายไปเลยบางทีมันก็สู่ถีน ะ, ะง่วงเหงาเหาหอนง่วงนอนมืดตึบถีนะมิธะถีนะมิธะคือความง่วงนอน ความง่วงนอนก็คือก็คือจิตจิตจิตมันเหนื่อยจิตมันอยากพักจิตมันเหนื่อยจิตมันอยากพักแต่มันไม่มีสติกันหมดจดจอสติไม่พอพอสติไม่พอมันก็หลุดหลุดไม้หลุดมือไปเลยหายไปเลยเหลับ ม, มันห ล, ล, นลับหายไปเลยหลับหลับหายไปเลยเราพยายามใช้ผู้รู้เนีมันโร้ตลอดขยับยังไงก็ทันขยับยังไงก็ทันขยับยังไงก็ทันอรวมถึงว่าจับพุทธโธก็เกาะ อ, อยู่กับพุทธโธไม่ให้มันหลุดไม้หลุดมือไปพุทธโธจออย่างนพุทธโทธจอ กิริยาของผู้รู้กิริยาของจิตคือตัวสตินี่แหละกิริยาของจิตคือสตอิสติก็เกิดจากจิตสติเกิดที่จิตแต่มันเป็นกิริยาของจิตที่มันตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาเกิดความรู้ชัดที่สุดเราเรียกว่าสติสติสำหรับระลึกมันเกิดขึ้นจะทีละขณะยับยับยั บ, ยบ แยบดับแยบดับแยบดับมันเหมือนกับกายของเราที่มันไม่ปกติแล้วกายของเรามันไม่ปกติมันอยู่นิ่งไม่ได้มันมีหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหรือมันเหมือนกับหัวใจของเราเป็นเต้ น, นตึบตึบตึบตึบตึบตึบนี่คือ สังขารคือกองสังขารไอ้ตุ๊บต๊บตุ๊บๆนั่นแหละคือกองสังขารมันไม่อยู่เท่าเดิมมันมันเปลี่ยนไปคืออ น, นิจจงเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวมันจึ๊บชึ๊บมันไม่อยู่นิ่งมันไม่อยู่เท่าเดิมเราพยายามสังเกตสังขารอยู่อย่างเงี้แหละเริ่มเริ่มรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวจิตของเราก็จะเริ่มอยู่จิตของเราเริ่มอยู่จิตเริ่มสงบ วิตกกาชัดวิจารกาชัดประคับประคองประคองสู่อารมณ์อันเดียวนะ่ะที่เขาเรียกว่าอารมณ์อันเดียวเอกคาตารมเอกขตารมอารมณ์อันเดียววิตกความตรึกวิจารณความตรองวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคาตาเพียงประครับพระคลองให้มันอยู่อย่างนี้ด้วยความขยัน ด้วยความต่อเนื่องขยับอยู่อย่างนี้วิตกของเราก็ะโรวิจารณของเราก็โโววิตกวิจารณ์วิตกก็คือพุโทโธพุธโทโธนี่แหละคือตัววิตกตรึกความตรึกคือความนึกคือความคิดนั่นแหละมีสติกํากับตลอดจอ่อพุโทโธพุธโทโธพุทโธใส่ไปมากๆเข้าจิตเริ่มอิ่มเพราะจิตอิ่มอะไรมันไม่หิวจิตไม่หิว ถึงแม้ว่าเราจะไม่ป้อนเข้ามาพุทโธเขาก็อยู่เขาไม่ไปไหนแต่ทำไปให้ถึงที่สุดอย่าปล่อยพุทโธพุทโธพุทโธไปถึงที่สุดปล่อยไม่ได้ปล่อยเล้วก็เดี๋ยวก็ไปแล้วไม่ไปก็หลับไม่ไปก็หลับหลับจิตมันไม่อยู่จิตมันไม่สงบไม่ไปก็หลับมันไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวมันไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ประคองอยู่อนี้จนกว่าเขาจะอิ่มเมื่ออิ่มแล้วปล่อยมันกปล่อยก็ไม่ไปปล่อยคําว่าพุทโธเขาก็ไม่ไปมันอิ่มจิตเริ่มอยู่จิตเริ่มอยู่ถึงแม้ว่าจะทิ้งวิตกทิ้งวิจารณ์แต่เราอย่าไปทิ้งปล่อยให้มันทิ้งเข้ามันเองปล่อยให้มันทิ้งขึ้นมาเองทิ้งวิตกทิ้งวิจารณ เหลือแต่ความสุขเหลือแต่ปีติเหลือแต่ความสุขแน่วอยู่กับอารมณ์มันเดียวอยู่กับปีตินั่นแหละปีติสุขกับอารมณ์มันเดียวเอกขตาเหลือสุขเอกคตาขยับขึ้นไปเหลือเบกขาเอกขตาถ้าเราทําได้โดยที่เราไม่ปล่อยแล้วก็จมหายไปเลยอหรือเขาก็จะเริ่มทิ้ง ทิ้งคำบริกรรมทิ้งคำบริกรรมทิ้งพุทธโธ ท, ทิ้งพุทธโธจะเริ่มขยับขยับอยู่อยู่กับความอิ่มอิ่มก็คือกิริยาที่เราเหมือนกับเรารับทานอาหารนะคือเราใส่เข้าปากใส่เข้าไปใส่เข้าไปเขี้ยวกลืนเขี้ยวกลืนเขี้ยวกลืนเข้าไปสนานึกว่าเริ่มอิ่มเพราะอิ่มแล้วเราก็าไม่ต้องใส่ พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็เช่นเดียวกันพอมันอิ่มแล้วมันทิ้งอารอมณ์เองทิ้งอารอมณ์เองเราไม่ต้องใส่แล้วกําหนดแนวอยู่กับอยู่กับปีติคือความเอิบอิ่มอบางทีมันทิ้งปีติเหลือความสุขมันสุขยังไงก็ให้เราพยายามจับให้เราพยายามดูมันสุขยังไงเหลืออุบเบกขา อุเบกขากับเอกักขตาไม่มีกิริยาอาการโราแนวกอจิตละเอียดมันละเอียดละเอียดอัปปนาแนบแน่ น, นความสงบของจิตมันสงบมันไม่ไปเหมือนกับจิตของเราเนี่ยไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่อะไรมันเข้าสู่ความสงบ จิตพักตัวจิตเข้าสู่ความสงบพักตัวช่วงระยะหนึ่งมันก็ตื่นขึ้นมาช่วงระยะหนึ่ ง, ม, ง ม, มันก็ตื่นขึ้นมาช่วงระยะหนึ่งมันก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็เราก็กำหนดให้มันสงบ้าไปอีกก็ได้หรือว่าจับอารมณ์มาพิจารณาเนื่องจากจิตมันอิ่มจิตมันไม่ไปท่านจึงให้เอาจิตที่อิ่มนั่นแหละจิตมันไม่หิว จิตมันอิ่มมันไม่ไปเอาจิต ท, ที่อิ่มนั่นแหละมาพิจรารณาเพอเราะเอาอารมณ์มาพิจรารณากําหนดจดจ อ, จอดูเข้าไปมันก็นชดัดกําหนดกายก็เห็นแนวชดัดเมื่อก็ตากมองเห็นกนําหนดพิจารณากายกําหนดกายดูกายพิจารณากาย ดูไปให้เห็นเหมือนกับเราดูด้วยตาเนื้อหรือให้เห็นด้วยความรู้สึกดูกายดูกายเป็นเราไหมเราเป็นกายไหมกายมีในเราไหมเรามีในกายไหมดูกายแต่ถ้าหากปัญหามันสวมรอยเข้ามามันว่ากายเรากายเรากายเราความรู้สึกมันจะบอกว่ากายเราเพราะเวลาเรายจ่อมาแท้จริง ความรู้สึกที่ว่ากายเรามันหายไปไหนกันไม่รู้เห็นแต่ว่ากายนั่นหมายความว่าพอสติเขาเข้าไปทํางานปั๊บตัณหามันก็หลบทิฏฐิมรณะที่เคยมีถือสําคัญมั่นหมายถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันหายไปมันหลบไปมันหายไปกายเรากายเราตัณหาเนี่ยมันคอยแทรกมาอย่างนี้ตัณหาในหัวใจของเรา ความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจทั้งเรียกว่าตัณหาความดิ้นรนความทะเยอทะยานความไม่อิ่มไม่พอนาทีตัณหาสมานาทีความไม่อิ่มไม่พอของใจความหิวโหยของตัณหานี่ยเองอตัณหาโผลขึ้นมาแต่ถ้ามีสติเพียงพอตัณหาโผลไม่ได้พอสติเริ่มจางขึ้นจางขึ้นเริ่มเลือนเริ่มลางเริ่มเริ่ม เรือนเริ่มจางตัญหากระชากเริ่มเริ่มโผล่กันมาแล้วโผล่แล้วมันสาคัญมั่นหมายเราปวดโอ่กายเราปวดนั่นตันหามันสวมรอยลวพอสวมรอยเีื่อยมาแลมันก็ยึดยึดว่ากายเราว่ากายของของเราเวทนาเราเวทนาของของเราแต่วิธีการพิจารณาท่านให้สติ สักจะว่ากําหนดจดจ่อรู้รู้อยู่อาศัยกายอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกก็บอกกายมีอยู่อาศัยกายเป็นที่ระลึกเป็นเครื่องระลึกอาศัยว่ากายมีอยู่แต่ไม่ใช่เราความรู้สึกว่าเราไม่มีกาหนดจดจอดูอย่างนี้เราจะเริ่มเข้าใจไปรเรื่อยสติเราดีสมาธิเราดี พิจารณาดูอารมณ์ก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นความสงบจึงมีความจำเป็นถ้าเราไม่มีความสงบมันจับไม่อยู่มันไม่มีความสงบมันจับไม่อยู่เพราะมันไม่มีตัวช่วยอิ่มจิตมันหิวหิวอารมณ์โดดไปนั้นโดดไปนี้โดดไปนี้โดดไปนั้น เราลองนั่งนึกทั้งวันนั่งคิดทั้งวันนั่งปรุงทั้งวันมันไม่อิ่มมันไม่พอนั่นเป็นอาหารของมันเป็นอาหารของอกิเลสเมื่อเราเอาเชื้อไปเสริมฝ่ายให้ไฟดับไม่มีดับเอาอารมณ์ไปเสริมกิเลสให้จิตมันอิ่มมันพอไม่มีโอกาสได้อิ่มได้พอ เอาอาหารของตันหาไปเสริมตันหาให้ตันหามันอิ่มพอไม่มีอิ่มไม่มีพอกำลังจดจ่อพิจารณาอย่างนี้แหละอันนี้เป็นงานทาจนมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น่สงบก็เร็วขึ้นปัญญาความรอบรู้ก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นขึ้นในขณะที่กำลังจดจ่อลงไปมันหาก มันหากมีความปวดเจ็บปวดปวดหัวเขา่าท่านใครพุโทโธดูเขา่ากันแหละหรือมาทีอาศัยแต่สติจาะเข้าไปที่ความรู้สึกว่าปวดอาศัยสติแล้วรู้ว่าปวดแต่ไม่ใช่เราปวดเวลาความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเราพยายามดูให้มันชัดอ๋อเนี่กิริยาแบบนี่คือกิริยาที่ตัณหาไมแ่แทรกเข้ามาอ๋อนี่เราเราอัตตาตัวตนมันเผลอขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ กับเวลาเราตั้งใจดูด้วยมีสติมีสัมพันธ์ยะความระลึกว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเนมันจางไปจางไปจางไปหายไปอ้อมันต่างกันอย่างนี้เราจะได้ข้อเทียบเคียงว่าอันนี้เราควรยึดอันนี้เราควรปล่อยกำหนดจดจ่อให้สว่างร่อยู่เป็นมัตรพยายามกำหนดจดจอ่อยึดอารมณ์ตัวนี้แหละทำงานเอาไวา้เป็นหลักเป็นมัต ทำไปมันง่ายหรือมันยากของใครของเราก็ทําไปผลตามมาผลรายได้ตามมาก็คือฝึกใจของเราฝึกให้เกิดสติฝึกให้เกิดปัญญาจิตเราสงบสติเราก็ดีขึ้นจิตเราสงบปัญญาของเราก็ดีขึ้นเป็นคุณสมบัติของใจพัฒนามาตรงนี้พัฒนาถูกจุด ใครขยันพัฒนาตรงนี้อันนี้เป็นสุดยอดของการพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นกิเลสตัณหาในหัว ใ, ใจทําให้ภพชาติของเราเนี่ยอ่าสั้นเข่าสั้นเข่าสั้นเข่าสั้นเข่ า, ขาเห็นโทษเห็นภัยเตรียมที่ทีตัวไปพ้นในอัตภาพนี้อืเราฟังธรรมมาหลา หลายหลายหลายวาระและสองสามวาระแล้วตั้งแต่เราขึ้นมาอบรมตรงนี้าตามกำหนดกฎเกณฑ์ธรรมบริกรก็ให้ทำให้เราทาเขียนมาได้ข้อข้องใจข้อสงสัยแต่ระเบียบตรงนี้ไม่เปิดให้ถามปากเปล่ า, าให้ถามด้วยเขียนเขียนถาม นี่คือระเบียบตรงนี้นะโอ้เรามาอบรมตั้งหลายครั้งกว่าเราจะรู้ว่าระเบียบก็เป็นอย่างนี้เราพยายามถามถามใครกร็มิดถามใครก็เงียบถามใครก็เงียบอ๋อมันระเบียบของเขาอืไปที่อื่นเราถามเขาก็ตอบเราถามเขาก็ตอบกลัวจะมีคน เอาเวทีตรงนี้แสดงเพื่อความอวดอ้างตัวเองเลยไม่ให้มีระเบียบการถามตอบตรงนี้ให้เขียนเอาแต่การถามการตอบนี้ดีนะมีใครถามมาสักข้อหนึ่งเนี่ยคนทั้งหมดในห้องนี้ได้ยินได้ฟังได้รู้จักด้วยกันเพราะการถามนะมันตรงประเด็นมันตรงประเด็นคําถาม ขอให้เป็นคําถามปฏิบัติคําถามสภระทั่วๆไปอันที่เราคาดคาดเดาเดารู้เข้าใจอะไรแต่ไรก็ให้เว้นเอาเฉพาะหลักๆที่เราคล่องใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแง่มุมของการทำความคล่องใจตรงนั้นคล่องใจตรงนี้กิริยาอาการความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คืออะไรเป็นอะไร เราจะจัดการยังไงเราถามคนใดคนหนึ่งถามคนนอกนั้นฟังเข้าใจได้ประโยชน์หมดเพราะปัญหามันเกิดมันจะเกิดคล้ายๆกันเกิดไม่ต่างอะไรกันมากหรอกพอมีอีกคนหนึ่งถามแล้วโอ้ไอ้ที่เราคิดว่าจะถามนี่มันตกมันตกไปแล้วแหละมันตกไปแล้วพอเวลาท่านตอบมาเออมันถูกของเราด้วยถูกของคนนั้นด้วยของคนนี้ด้วยแต่ถ้าเราฟังเป็นนะ ถ้าที่เราพูดมามันก็ตกมันก็ตกไปหลายขั้นตอนนั่นแหละไม่เข้าใจเรื่องนั้นออกก็ตกไปแล้วไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ตกไปแล้วถ้าเราถ้าเราฟังถ้าเราเจาะฟังนะอ่าวันนี้ได้เวลาพอสมควรเกิวเวลาอ่านะสิบสีท่ท่อ่าเวลาสี่ทุม่มเวลาสี่ทุม่ม อบรมวันนี้เพียงเท่านี้ให้ทุกคนกลับไปแล้วก็ไปตั้งใจภาวนานอนภาวนาเดินไปจากนี้ไปก็ภาวนาไปเข้าห้องจัดที่พักจัดอะไรอะไรก็กําหนดจดจอ่อไม่ปล่อยลองตั้ง อ, อกตั้งใจสักสามวันสองคืนเนี่ยลองตั้ง อ, อกตั้งใจให้มากเข้าบุญคุณเอาความดีในหใัวใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มันจะทําให้ผลเหล่านี้ก็เตื้องขึ้นเป็นการเป็นคราวถ้าเราทําทําทําทำบ้ำำางแล้วก็หยุดบ้างทำบ้างแล้วก็หยุดบ้างดูไปไม่เห็นมีผลอะไรต่อเนื่องเราพยายามตั้งอกตั้งใจทําให้มากอืมค่อยๆขยับเป็นช่วงขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยผลรายได้ก็ต้องขยับไปตามนั้นเมื่อหากเราตั้งอกตั้งใจสร้างเหตุให้ดี อ้าวยึดติดแค่นี้ ตื่นขึ้นมาภาวนาต่อเป็นเนลองเนก็ลองดูก็ได้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน <c oughs> โอ้ต า, ายแล้วฮะ <c oughs> วันอาทิตย์วันคืนวันเสาร์บอก <c oughs> จะเอาไม่เอาก็ตกลงกันกนแล้วกัน <c oughs>